มดทำมาตลอดเป็นกุศลกรรมเป็นกรรมเพื่อประูชนเป็นกรรมดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นธรรมะผมไม่อยากย้ำอี้แต่อยากจะขยายความไปอนิดนึงซึ่งผมเชื่อว่ามดระพอใจเพรวันนี้วันที่10ธันวาคมเป็นวันรั่ธรรมนรูนเป็นวันที่ประกา ว่าบ้าเนเมือนั้นมีกฎหมายสูงสุดซึ่งให้ทุกคนเข้าเทียมกันหมดอย่าน้อยอย่าขกฎหมายแต่ถ้าธนูนั้นก็ได้ถูกละเมิดม า, มาแล้รอบๆแม้ในมัยนี้ประชาชนก็ยังไม่เข้าเทียมกันโดยเฉพาะพวกสมชาชิกคนจ น, นคนปายอ่อบายแขงคนส่วนมากในบ้านในทีนี้แม้จะมีธนูชิ้นที่สองคนเหล่า น, นี้ก็ถูกละเมิดไม่ได้ดีขึ้น แต่พดได้ต่อสู้ตลอดก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบ60ปีหรือ5้รอบนักษัตริศของการประกาศปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนเมื่อบลาย2องโมงวันนี้เลขราิการสัญญาชาติก็มาเปิดเข้ามาตีตึกยูเอ็นกลางเมือง เพื่อจะยกยองเหตที่ชนช้นมีพระสงฆ์สาใหม่แต่ทั้งหมดนั้นเป็นการลิบาย่ใ่เงจริงแต่เรื่องจริงจะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นก็เพระว่าถ้าร้องรักษาแทงปฏิญาสาบตชนนั้นเกิดขึพร้อมๆกับวันนี้เป็นวันครบนรอบักษาของธรรมาญน ขอให้กรรมมาที่บรรดานไทยโยฮทขนเพื่อเขจะได้ดีใจและบรรดานไทโยฮติดตราบคล่นรอบนักขัดไทยโยไทโยไทยโยไทโยเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อชนชั้นบนไม่ใช่พ่อของชาติด้วยแต่เพื่อคนของชาติต้องการแบบนี้จะาป็นรั้วจะเป็นรั้ารปันจะเป็นรั้วเช พูดเช่นนี้เพื่อจะเตือนมาพระุเจ้าบอกว่าของมดมีแต่บาปดมยแต่ความุนันจะจไม่ดากคเป็นบา้อาตาที่เป็นาตคนลืมหน้าลืมตาอ้าท้ตนนีใ่ธ่ส ใช้การมีการเปี i, da, da isa, ่ยตรัฐบาลใช้การมีหรือการการดูแลการขาการปกครองแของชนทุนจะใช้การที่คนนักธรกิคนนักลามีัฒนมมีจรยธรรมมีวัฒนธรรมีแน่เสจเนยก์มชมีวัฒนธรรมที่พูดพาใ่ใกมีความรวดเร็วรวเร็วมีอาชีตธรรมอันนี้นะครับมดขอ และมดเอกจากชาวบ้านมดไม่ได้เคยบอกอะไรว่าจะนำชาวบ้านแต่มัดไปในชนบ้าและชาวบ้านได้ดึงดูดขึ้นอย่างเข้มแข็งอย่างวุ่นวายก็ต่วงวุ่นวายการเสนอมีมดเป็นวัวเชื่อมเด็นสำคัและชาวบ้านที่มาวันนี้ก็เป็นเป็นคนะครับและที่มาเดียวกันวันนี้ก็เป็นํำนวนมากที่อินเียแต่จำนวนนี้ว่าสำคัญครับสำคัญที่บ้า ชาว่ามีคุณภาพครับลนขณะที่นักการเมืตวใหไม่มีคุณภาพในขณะที่คนที่ปกครองบ้าปครองตัวใหไม่มีคุญธรรและกวบริวารไม่มีคุณภาพะแต่าว้ามีบุญธรระและคุณธรรมะือาบุญธรรมนั้คือการชนะานการชนะนั้นจะเป็นัยนะในธรรมะที่เอชนะธรรมะพระพุณเจ้าเพื่ออำนาจประมาค่ะครับประชมาคการปกครองแต่การที่เวลา ทิศกับข้าพระองค์แต่ข้าพต่อช่วงอาธรรมวยสิิธีครับพระมออกเผชิญหน้าทหารพระมสนเสุทหารรทาไม่ทหารอันนี้จะคนะครับใชนะทธารมตาา ชัยชนะเป็นทมาเปีย็ที่านเลชัยชนะเ้นเพราะอสันติประชาธรรมผมว่าและพของเราทั้งหลายไม่ไหวมาูไม่เป็นการที่ใช้ไม่อาจะเป็นทีบ่อนอกดูอุดรานีโเสคเป็นความครงสันติีดีะ แต่จนท่นชมมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยนักการเทุกท่นะครับประมาทเลี้ยงตีปาาจอนแต่ไน่มีใครเลยไม่มีไม่เป็นไรครับเป็นความผู้เแต่ชาวบ้านเหล่านี้เวลานี้ร่วมระพจน์จนทางกลางจนทาตื่นตัวนที่แขเอาไว้ล้วมาวารัการที่มาส่วนนนี้ คนชนชั้นกลางนะครับจนชนชั้นกลางตะก่อนนี้ไม่เคยหนจชนชั้นกลางตะก่อนนี้อยากขาวนอยากจระโดดอยากจะมีรถอยากจะมีตู้เย็นอยากจะมีทีวีคนชนชั้นกลางเป็นธรรมะเพื่อคนรันชนลนชนลนั้นทแม้จยากนแต่ก็มีสัรครับ มีภูมธรรมมีพุทธรรมและเจ้าราชการกันนะรวมตัวกันตนนารโตนมันมันันเป็นพลัสคัญที่สุดของบ้านนี้เมืองนี้เช่นเดียวกันนะครับแมพม่าจะมีกระบวนการประชาชนบ้านเราผมเองได้เกี่ยวข้องกับพม่าพระพม่ามา12ปีนี่และผมได้เห็นเลยว่าพระพม่า ในหายๆกรณีนะมีเมือนมากพระไายเพราะพระพธมามไม่รับสมรศักดิ์ไม่เห็นไในการเข้าวัไม่เห็นอในการปุ๊บๆงมาพวดน้าปุ๊บเสรษฐกิจคาราประเทศพระำไดหมืกแต่ผมเห็นว่าพระธมามื่อโยกพระไทยแล้วพรไทยจะถึงที่อกสารจะเป็นคีนะครับที่เียพระมามแต่เมื่อเราประท้วง เรื่องบริการสถานธรมะพระธรระาที่เชียงใหม่กว่าร้ยกันแล้วออกมาท่านเชียงใหม่ว่าร้อยแล้ออกมาและเมื่ไรพระในกรุงเทพออกมานั่นอาจายนะเพราะพระส่วนใหญ่ในลูกคนมาจนล้นะครับลูกคนมาจนแต่าศึกษาของพระสอนให้พระคือจะพูดถึงตัเองจะมาถากเปนตนไปตั้ทุ่งนุมนยู าาติดไม่านะครับแต่พระอวิินไม่เคยเยี่ยพระเลยพระปจเลยไม่เคยดมาเยนเลยถ้าที่ตัวเองคนจนแต่พระกรุณินมันเป็นมหาลัยตัมหาลัเป็นเจ้าของตัดเยี่ยมมหาหมูเป็นเจ้าขอัดเยีชเลยแต่ผมว่าจะเปลี่ยนนะครับต่อไปพระจะ ดังที่งชาาเียนเน่ประชาชนตามไปแต่ประชาชนตมปาาะามลทางธรรมในทางิธรรมในทางวัฒนธรรมรเวลาีนอรีตบัรีวมาาเมื่อระงนี้ตองรนครับจ้านครับจ้าโยนเพราะาบโตทเพราะนีมามา ใ่ไหมอย่าเป็นคนเจ้าิเราเริเจ้าอไร้ใชนานั้นมันจะพลาดเรื่องแล้วก็่สามด้นัหน่เยออตเ่อเมื่อกี้ผมบอกนะครับคนัการองและคนัารที่เป็นนักาอนักธุรกิจเพือังคมนักธุรกิจตะกอนี่คิดอย่างรในฐานะหงคิดอย่างเดียวเอาเป อยากซื้อเอาเปรียบธรรมาเดี๋ยวนี้นักธุรกิจโดยเฉพาะในนักธุรกิจชืังคนในมืองไทเรียกว่ารุ่นบานย่าอุ่นตุนผมว่าจุเดนที่สำคัครับเพรานักธุรกิจเนี่ยเมื่อมีการซื้อสะสมกันอยู่ฝ่ายธรรมะอยู่ฝ่ายประชาชนอยู่ฝ่ายธรรมชาติแล้วนักธุรกิจจะนานักการเมือง ในยุโรปเวลานีนักธุรกิจนนักการเครับเพราะนักการเินในยุโรปแม้นหนน้อยน่านักก็ต้องเชื่อเลยว่านักธุรกิจจะนนักการเงเรพนธุรกิจเราก็เนสมาชิกตานู่ด้วยะเราไปผมพยายามนีอยากให้เห็นว่าการมองไปที่หมด ไม่ใช่ปัิเจกับคนซึ่งเป็นคนดีแนเป็นคนที่เสียสละแลเป็นคนที่เห็นจะพวยน้อยแลแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าสสารที่พูดไปมดเป็นกาลยานมิทธเป็นกาลยานมิทธกับคนยากไรเป็นกาลยานมิทธกับคนรวยเธอเป็นเกียติทเป็นคนรวยเป็นคนจนครับท่านจะพร้อมที่จะอุดด้วยพร้อมที่จะวางพร้อมที่จะเอื้ออา พุทธเจ้าตรัสสอนนะครับว่าในชีวิตของเรานั้นสิ่งประเสริฐที่สุดภายนอกตัวเราไม่ใช่เงินไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ชื่อเสียงแต่กัลายาณีกัลายาณีนี่คือผู้ซึ่งเอื้ออาทรตอ่อการดำเนินและกลา้าพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังด้วยท่านบอกกัลายาณีนั้นเป็นปรตโตโพสะเป็นเสียงกระแสอื่นที่เตือนมนมุษยทำลายตัวเราและเราเมื่อใด มนุษย์ต่างๆเตื่นจะกระแอื่นแล้วเราจะต้องเจริญโยนสมรรนะการมากล่าวคือฝึกจิตใจของเราให้ลดความให้ใจปลงให้เห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าโยชนของเราเององค์ทะไลลมรักษานะครับคนที่แก้ปหาความสุขเพื่อตัวเองโดยคนหนึ่งคนนึงจะหาความสุขไม่ได้แต่คนที่หาความสุขให้คนอื่นตัวนี้ทำหนึ่งนหึงความสุขตัวเองนน่ใจ มดเป็นคน่นะครับที่เจอหาความสุขได้เพราะเธอมีพลนรเพื่ออาภรเมอมาแม้จะเจ็บไข้ใหญ่ปวดก็ยังห่วงคนยากไรห่วงคนที่ถูกลอแกกพัาตัวเในแง่เธสิ้นห่วงแล้วรักนไปแล้วตอนนี้เธอโชวได้ชมปและเชื่อว่าจะพบกันอี ที่ผมจะให้ธรรมะที่ชัดเจนยังแจ้งยิ่งกว่าภาษาคำลูกแต่คนเพราะว่ามีปีญจาวาจาคือสิ่งที่ที่อาจารย์สุรัตเน้นอันนี้คือเรื่องของความเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะธรรมอาตาราเชื่อตรงนี้สำคัญมากเพราะว่า คนเราเนี่ยถ้าเราเรามีศรัทธาในความดีงามแล้วเนี่ยก็ทําให้เรามีกำลังใจในการที่จะทําสิ่งนั้นต่อไปแม้ว่าจะประสบอุปสรรคหรือว่าจะประสบกับการโดมตีหรือแม้กระทั่งจะประสบะความล้มเหลวก็ตามแตมาเพื่อตรงนี้คือคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่นกนกมดเนี่ยมีมากนะคือ ความศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องคนจนนุ่มไม่น้อยเนี่ยแม้จะศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ลังรอลังเลที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าไม่แน่ใจว่าความถูกต้องนั้นจะประสบชัยชน ะ, ะคนจนนุ่นไม่น้อยเนี่ยแม้แมรู้ว่าสิ่งนี้ถูกต้องแต่ก็ไม่ทำเพราะกลัวว่าจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ว่ามดเนี่ย มีตรงนี้น้อยมากก็คือว่าไม่ว่าแพ้หรือช น, นะอันนั้นไม่สำคัญแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าและการที่คนเราจะยืนยันมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะรู้ว่าอาจจะต้องแพ้จะทํเช่นนั้นได้ต้องมีศรัทธาศรัทธาในความดีงามศรัทธาในธรรมะและศรัทธาเนี่ยทให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องคุณมดเนี่ยทำงานในเรื่องนี้เนี่ยาตอนนั้นจำได้ตั้งแต่สมัยเป็น น, น, นักเรียนนิสซัมนะนักเรียมมัธยมศึกษาอยู่มาพุทธลาตอนนั้มายอยู่สมชันก็เรื่องที่อีกิตศักด์แล้วแล้วเมื่อเข้ามาอยู่ในเหมาเฉลัยแม้ว่าเราจะเดินคนละสายตอนนั้จะมาอยู่ชมุมนมพุทธแสคุณมดเนี่ยเขาจะอยู่พักพลงังครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคุณโมได้แสดงมาตลอดคือความมั่นคงในเส้นทางแห่งความถูกต้องหรือสิ่งที่เธอเชื่อเป็นความถูกต้องซึ่งเป็นเวลามากกว่า30ปีแล้วตรงนี้เนี่ยคือสิ่งซึ่งพวกเราที่ทำ ง, งานเพื่อสังคมเนี่ยควรจะเรียนรู้อย่างมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนตรงนไม่น้อยเรื่องวั่นไหว ไม่ใช่วันหวว่าสิ่งที่จุ้ยทานี่ถิดต้องหรือเปล่าแต่วันไหวเพราะกลัวจะเป็นฝ่ายแพ้ <Yeah. S 1> แล้วมาคิดตรงนี้เนี่ยนะเราต้องไม่กลัวแม้จะแพ้ก็ต้องทําถ้าว่าสิ่งนั้นเป็นควาถูกต้อง mm hmm. ก็อา จ, จะมีคําถามว่าแล้วจะเป็นฝ่ายแพ้แล้วนี่จะอยู่ได้อย่างไรจะแพ้แล้วแล้วจะทำมาทำไมตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ยึดติดในตัวตน เราจะรู้เลยว่าความแพ้แพ้นั้นมันไม่สําคัญเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหวั่นไหวแต่ความแพ้แพ้ก็เราต้องการได้ชื่อว่าฉันเป็นฝ่ายช น, นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสมองตัวตนโดยแท้ตัวตนเนี่ยหรืออัตตาเนี่ยมันไม่ยอมไปฝ่ายแพ้แม้จะเป็นอาธรรมแต่ถ้าช น, นะก็จะทําตรงนี้ต้องอาศัยความรู้เท่าเทียในตัวในอัตตาหรือตัวตนเพราะถ้าเรา เสมอเมื่อไหร่เราไม่รู้เท่าทันมาเมื่อไหร่หมันก็จะเป็นตัวผลักดานให้เราเลือกข้างที่ชนะแม้ว่าจะเป็นข้างที่ไม่ถูกต้องก็ตามชนะที่หมายถึงรวยชนะที่หมายถึงมีชื่อเสียงชนะหมายถึงมีหน้ามีตาในสังคมชนะหมายถึงเป็นนักมีเมียหน้าเป็นชนะการเลือกต ary, กั้งรัฐมนตรีชนะหมายถึงได้รับการช่วยเหรืเสริมชนะหมายถึง ไม่ใช่เศษสายแพ้แต่มาคิดว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ในในระหว่างการทํางานประสังคมเนี่ยเราไม่พยายามที่จะตรวจตราดูและรู้เท่ากันในอัตราของเราเราก็จะเผลอพัดเข้าไปบนเส้นทางแห่งความไม่ถูกต้องเพีองเพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่นำเราไปสู่ชัยชนะ แล้วถ้าคนเราไม่ไม่ชนะแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรอาตมาคิดว่านอกจากความถูกต้องแล้วเนี่ยคนเราต้องการความสุขและความสุขนั้นเนี่ยสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเราให้สามารถที่จะมั่นคงในบนเส้นทางความถูกต้องได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเชื่อมั่นในสัตส่วนหนึ่งเพราะศรัทธาหรือเชื่อมั่นในในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอีกส่วนหนึ่งเพราะ จิตใจนั้นได้สัมผัสกับความสุขเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากภายนอกอูชื่อเสียงกิติยศไม่ใช่มาจากอำนาจไม่ใช่มาจากความสำเร็จโดยตรงแต่เป็นความสุขที่มาจากภายในเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ดีงานและเพราะว่าตัวตนนั้นน่ยได้ลดทอนได้เบาบางลงไปจนกรทั่งไม่วันไหวนะต่อชื่อเสียงกิติยศต่อล่ากยศสารเสริมต่ตางใดที่ตัวตนเราใหญ่ เราอยอมดไม่ได้ที่จะพัดเข้าไปในอำนาจของความยั่วยุวยคือลาบยศสารเสริญอำนาจรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จที่เห็นกั็นรูปธรรมทุกวันนี้เนี่ยคนเราหาความสุขจากภายในได้ยากแต่ว่าคนอย่างคุณปศนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งเขาสามารถจะหาความสุขข่ามการการทํางาน ความฝึกในท่าที่เป็นไกลนี้ไม่เกี่ยวับชาวบ้านเมื่อเขาได้อยู่กับชาวบ้านก็ได้ได้รู้ก็ไม่ใช่เป็นการเรียนนมิตรคือเพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านให้คําแนะนํำต่อชาวบ้านเท่านั้นแต่ว่ า, า, าก็ยังซึมซับรับเอาภูมิปัญญาหรือคุณธรรมของชาวบ้านเข้ามาไว้ในปนจนระทั่งสามารถที่จะมีความสุขตับชีวิตที่เรียบงา่ายสามารถที่จะมีอารมณ์ขันหัวร้อยย่อตัวเองสามารถที่จะยิ้มได้ แม้ว่าจะล้มเหลวก็อาจจะไม่มีความไม่อาจจะไม่อาจจะไม่มีความสามารถในการบำเพ็ญทัทงจิตให้พบกับสมาธิหรือความสุของลึกซึ้งได้แต่คนณยังคุณมดเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งทึ่สามารถที่จะหาความสุขได้นะในทําการการทางานซึ่งเต็ไมไปด้วยความร้อนแรงเต็ไมไปด้วยความขัดแยง้ง และส่วนหนี่จะตมาเพประสบความสำเร็จะก็คือเมื่อเขาต้องสู้กับกับปร ป, รปรักเขาซึามซับรับเอาความไม่ดีของปรปักมาน้อยมากคนเราเวลาสู้กับยักษ์มานเนี่ยมักกดไม่ได้ที่จะซึมซับรับเอาความเป็นยักษ์เป็นมารมาไว้ในตัวสู้กับประเดกการเสร็จแล้วก็ซึมซับรับเอาความเป็นประเดจ ก, การไว้ในตัวเอามาไว้ในองคอ์กรปราบ ตำราคนที่เห็นขัดแย้งกับตัวเองใน อ, องค์กรอย่างเช่นผู้ที่ประสบ ค, ความสําเร็จในการต่อสู้เอตราชต่อสู้ขับไล่อันเปรตการออกไปเส่ร้ายชวนให้การเป็นอันเปรตการในตัวนี้ตัวการต่อสู้กับยักษ์มาเนี่ยอุปสรรคสําคัญคือการที่เราอดไม่ได้ที่จะซึมซับรับเอาความเป็นยักษ์มาจากผู้คนเหล่านีาไว้ในตัวแต่คุณมดเนี่นยทำไมคิดว่าเขาจะประสบความลุล่วงในหลายด้านแต่เขาเจะประสบความลุล่วงในหลายด้าน แต่เขาประสบความสำเรในการที่ไม่ซึมซับรับเอาความเป็นยั่งเป็นมามาไว้ในตัวทั้งๆที่ปรบปากเขาเนี่ยมีความมีคนโกงสารพัด1้อยแปมีความเป็นอำนานิยมหนละังเกียรคิดแบ่งเป็นขั่วเป็นฝ่ายแต่นกแต่คุณวตเนี่ยเป็นคนหนึ่งในจำนวนน้อยอัตมาอย่างผู้เช่นนั้น ที่ซึมซับแล้เอาควยักเป็นม า, มาไว้ในตัวน้อยมากในขณะที่เราเห็นคนจํานวนมากเนี่ยอดไม่ได้ที่จะสึมซับรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาว้ในตัวและกลายเป็นยักเป็นมาในแบบของตัวโดยไม่เลือตัวแต่ตรงนี้เนี่ยจะมาเพื่อคนที่ทํา ง, งานในสังคมเนี่ยจะต้องควรจะมีความเอา น, น้อมอบตนแล้วก็เรียนรู้นะจากจากความสําเร็จของคุณมดอนแง่นี้แม้ว่าเขาจะ จะไม่ได้มีอำนาจวาสนาหรือ่เสียงอย่างที่หลายคนในกระบวนการมีกำลังมีหรือเคยมีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเขารู้เท่าฐานตัวเองเขาหัว่และย้อมตัวเองได้เขาหัว่และย้อมกิเลสของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถที่จะยิ้และสามารถที่จะทน และสามารถที่จะต่อสู้โดยไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณม่อเคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์สารคดีว่าเขาเ็นุนธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขาไม่ยอมจํอย่างง่ายๆแม้จะแพ้แต่เขาไม่หวั่นไหวแต่กวไม่แพ้เพราะความให้แพ้ไม่ใช่เป็นสารสำของชีพมาตรอดการอยู่ในความถูกต้องโดยอาศัยความสุข จากภายในได้จากการเงินมิผููผลญากไรเป็นเพืหล่ อ, อเลี้ยงและตาชั่ววันลึกๆเนี่ยเขามีปัญญาพอที่จะเห็นว่าถึงที่สุดแล้วธรรมย่อมชนะอธรรมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ฉันได้เห็นในช่วงชีวิตของเขาแต่สายตาที่ยาวไกลโดยมิติดทางอดติสารจ่อมทําให้เขาเมีความเชื่อและมีความมั่นใจเช่นนั้นและเช่นนั้นคือเขาสามารถที่จะ ให้การทำงานนั่นแหละเป็นเครื่องลดละตัวคนของเขาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เพราะถ้าเราลดละตัวคนไม่ได้เราจะมีความผูกพันม้วนเหลเราจะมีความพุกที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเราจะมีความพุทม ก, กพที่ไม่มีความชีวิตที่สุดสบายไม่มีรถคันใหม่ไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีสิ่งมำความสุดสบายอย่างที่ยุคบริโภคต้องการต้องการให้เรามี อาจารยคิดตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อาจจะว่าเป็นเคลับกระดาวันธรรมม่เนี่ยสามารถที่จะทำงานเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่องโดยคงความเป็นคนธรรมดาเอาไว้ได้พระพุณเจ้าได้พูดมาในผมว่าีไปยมากครับ กเรานั่งในที่นี้หลายคนจาหมดคนแนแต่้าท่านสามารถเอาธรรมะมาชี่ให้เลยว่าแนมมชีวิตต่างๆเานั้นนาจะเเนไรน้ถ้า่าดเป็นิรรดนแต่ธรรมดานั้นนะครับมันมีอัจิยะาวแหง มันสิ่งวิเศษทางราชการ่ประโยชน์กับธรรมะตรงนี้ครับประโยชน์กับธรรมะใน่งการดีทาไม่ใช่มาแชร์คนตาอย่างเลิเลวไหลดังที่ธรรมะเป็นส่วนมากชอบกะคุณเจ้าชร์ให้เลยครับพอเรามองเหนชีวิตทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งความเฉลี่ยและความเลวแปรธรรมะแล้วจะเป็นแบบเรียนเให้ได้รู้มา อยาพูดในตอนนี้นะครับในแง่ซึ่งมนาไม่ชาโดยเฉพาะเมื่อมุปาะนัแอมีาจทใ้จมาไม่ออันนี้ครับมนุษยังมีรมใครไปี่นะครับโดยเฉพาะตอนก่อนตายชัดเลยว่าเา จะยอมชีวิตต่อธรรมะไม่ยึดถือไม่ติยไม่ถือดังนี้วไธรรมใหม่ปัจจุบันที่านวัธรรมแบบรินิยมนั้นไม่ทำมาให้เราแไม่าให้เราเจ็บไม่ทงาให้เราตายนมด้ที่ามแข็งแรจะรูยอมรับแความเจ็บความตายมีโอกาสไปเยี่ยมมด ชั้นสุดท้ายแห่งชีวิตเห็นได้ชัดเลยนะครับในมือเรงเนี่ยจำรูปพระเจ้าแม่บุญิมโพธิศากิจใจต้องอยู่ที่พระบุญยิมโพธิศาแล้วเราต้องประเลยนะครับพระบุญยิมโพธิศ์นี้คือพระกัลยาณิเตศุย์ยนยักม์หนงคือเป็นบุคคลาิเศษของพระกราบุญนา รูปเจ้าของเราเนี่ยก็จะนธรรมดานามันเหมืเราทั้งหลายแต่ทรงเอาชนะเกลียบศาสนาได้หมดทรงแปลสภาพความโลภให้เป็นทานทานนั้นสูงสุดแต่ชอตินเกียดฐานโลภให้เป็นไม่ทานความรักนั้นสูงสุดที่มีความเห็กตับอยู่แต่ความหและความวิชาให้เป็นปัญญาตัสรูเห็น จึงเห็นแท้เห็นองค์รู้พระองค์ทรงไว้สิปัญญาบุญสูงสุดเพราะนอนั้นพระองค์ก็ทรงไว้บพรูาุณสูงสุดเพราะคามรู้ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวรู้รอกรู้จริงย่อมประกอบไปด้วยความรเพราะฉะนั้นพระปัญญาบุญพระเจ้าท่านกผู้ไปกพระูรารุณเจ้าและพระปัญญาบุนั้น ทางฝายมาญาณจะทำเป็นโลกพระมัูนพระมัูนีจะถืาตัอวิชชาส่วนพระราุนั้นทเป็นโลกพระอวโลกิเตศน์นิพพานเป็นพระบริษัทแห่งความเมตตากรุณาเมื่อบาถึงมังแล้วกลายเป็นเจ้าแม่บนอิมอนเดยกันเลยนะครับเป็นบุคคาชิษฐานแสดงถึงพระมุราบใช้ประธานนครับ ถ้าเราม้อชีวิตไว้อยู่กับพระบูรณะคุลุพทะเจ้ามชีวิตไว้อยู่กับพระปัญญาคุลุนพระเจ้าชีวิตของเราไม่ใช่อัตตาของเราครับชีวิตของเราไม่ใช่ความคิห่เราอยู่ในคุลของพระโพธิสัตว์มหากูรณานิโภนาโถดตายะพระบูรณะคุของพระเจ้านั้นเป็นที่พนของสมุทชาหมดพร้อมนะครับอยู่ในพระบูณะคุนพระเจ้า จะดไป่กาด้วยความสงบด้วยความไม่ติดต้นฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าเธอต้องไปดีไปอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยารกเพราะชีวิตของเธอรอมาที่มััมดมาไม่านี้มดมีคารัมีคารคนอื่นมากกตัวเองรักทีะรักใทุกอยา้รักธรรมชาติ รักรรมชาติรักคาุติธรในการทำบและก็รักอย่างรู้เท่าทันในทีพระคุณเจ้าบอกแล้วัิแท้ก็็นองรรมดาชนะก็ไม่ใช่ขอาธราดาวรู้เท่าัเทากันทาเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยนะครับเวลานี่มดอยู่ในพระกรณาบุของเจ้าแม่กอิหรือพระกรุณาบุญพระองค์ใน หรือถ hey. sure like. ้าใเรื่อนะครับทั้งฝ่ายมหาญาณเขาเชื่อเลยว่ารถเข้าสู่แดนสุทาวีของพระิาภตรนัเห็นแล้วจนมิตโอมิตโพวกเราที่ไม่ปามหาาก็อาจจะมิตคพระิาภพุทเจ้า้นทรงอิว่าจะช่วยสรท ถ้าสัมปันทั้งหมดเนี่ยถ้ายอมสยบไม่กล้าไม่ปฏิบืนอ่อนน้อมทำตัวบำเพ็ญุญบาปดีก็จะอยู่ในพระนุภาพของพระิาุณซึ่งทรงมีแาติชาวีอยู่ทังท่ตะวันตกญาตาีจ่ทนสิ่ที่ไหนเลยนะครับที่ตะวันตกนั้นจะเป็นของพระิตาุผมเชื่อเลยหมดเข้าไปสู่ ดังใจกระาครับที่อ่านหนังสือเี่กาม้ิดเห็นโปรเครับี่ไเ็นได้เลยว่าากามิและช้าุยสูรงาวบีอย่ามนกว่าจีรนะครับาวีก็เป็นเียูการตาอนททให้มดข้าไปูกะแส้กระแสซึงได้ทาอเพราะเธอในชีวิต ดกรักเห็นแก่ตัวเดิชีวิตวานเดนชีวิตด้วยความรักด้วยการให้มอบอารีและในตอนหลังชีวิตแม้ก่อนวยรัี่เริ่มนในสมาภาวนาาิภาวนาเันจะเป็นตัวจิตศึกษานะครับช่วยเดความสงบันจะสึกษสดาก่อนธรรมเราดูช้ือศึกษาไม่ได้แล้วองตีับเรา และเรา้องารวมมวา่งสงส่งเราตารเรอควอมน์และหมดพระผู้ชี้นาสนาวิทยาศาสตร์เป็เามัาิาสร์การดูดเศิ่งตาามพลังจิตการจิตใจไม่ใช่อัติศีไม่ใช่ภาษาัติโมฮาอิปยาัติหรือฉันาที่พราติเรียนรู้มาแม้ชีวิตที่เราไม่เห็นเธอ ในการต่อสู้กับบางทีทำ้เสียภมิเ้ต่อสู้ตัวนะครับเจ้าต่อสู้บางโรคประมุขการเอาชนะบาโรคประมุขตัวได้จะสิ้นพิษพิบัแต่แม้โรคไข้เ่ยมัมาเจอเจ้ต่อสู้กับโรคไข้เจอย่างรุนแรงนะครับไม่ได้เห็นมันเลยมนเป็นสัลัก้เหมือนจะเจอต่อสู้ไม่ได้เห็นมันก็ไม่้ามันเปนสัล ได้ได้พบปาแล้วก็ไ <c oughs> ด้พบปกับมดเนี่ยในช่วงใกล้ชีวิตโดยพรวมทั้งในช่วยในช่วงสสมศท้ายของชีวิตเก็คงเป็นเรื่องมาแลการศึกษาว่ามดเนี่ยเขาจากไปสงบเป็นการจากไปสงบ ยอมรับความตายอาจจะยินรับความตายได้สุดด้วยซ้ำในสายตาของคนทั่วไปมองคนเชิดเนี่ยการที่มดต้องมาเสียชีพเพราะลูกมะเร็งเนี่ยแล้วก็โรคแทกซ้อนมันคือความพ้แพ้อีกครั้งหนึ่งของเขาเพราะว่าเขาพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะเยียยารักษาโรคนี้แล้วเขาก็ล้มเหลว ไม่สามารถจิตคิดดได้เป็นความรุ่งเรืองสุดท้ายของเขาซึ่งพวกเราเนี่ยไม่อยากเผชิญแต่ในพระยุทมาเนี่ ย, ยการที่เขายมาขอมรับความตายอย่างสงบและเข้าถู่วาะสุดท้ายคองิอย่างสงบเช่นเดียวกันเนี่ยมันมายถึงชัยชนะ ชัยชนะนนต่อความหบาดปวดแห่งความตายการมีชัยชนะเหนือความตายไม่ได้ะเพราะาไม่ตายหรือเป็นอมนตะแต่หมายถึงว่าความตายไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจหวั่นไหวหรือเป็นทลุ้งหรือทุรนทุรายได้ในทางศาสนาเราเรียกว่าเราเรียกจิที่เป็นปกติหรือว่าสามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้อันนี้ ว่าเป็นจิตใจที่เหนือความตายอีกในนัคือเป็นจิตใจที่ชนะความตายจะได้เรียกว่าการที่เขาได้เรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายและก็เห็ความตายสงบเนี่ยน อ, อกจากเป็นเพราะว่าได้สุกผลปฏิบัติธรรมเจอในช่วงนภายๆแล้ว เขาได้อาศัยการทำงานอันยาวนานนี่เป็นเพื่อขุลผลัดเปลาจิตใจของตัวเองโดยเพราะการลดรักอัตตาให้เบาบางเพราะยิงเราทุติษดในตัวตนยิ่งเราสุขโทตัวตนใหญ่โตมากเท่าไหร่เรายิ่งตัวความตายเพราะความตายเป็นการพัดพลาจากสิ่งที่เรารักพัดพลาดจากชื่อเสียงสุดที่ยึดและอำนาจรัศดรสายแหงปวงรวมทั้งพัดพลาดจาก วมตัวนที่ัเียตรงนี้อาจจะเป็นบทเรียนหรือนสติ ส, สาหรับคนที่อาจจะประสบชัยชนะประสบความสเร็จมาตลอดคนที่ประสบชัยชนะประสบความสเร็จมาตลอดถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าในที่สุเขาก็ต้องตาย สำหรับเขที่ประสบชัยชนะมาตลอดความตายคือความพ่ายแพ้และจิตใจที่ไม่เคยจิตใจที่เลือกข้างฝ่ายชนะมาตลอดไม่เตลี่ยนใจที่จะเรียนรู้จากความพ่ายแพ้หรือความวล้มเหลวจะเป็นจิตใจที่จะต้องในที่สุดต้องพ่ายแพ้กับความตายไม่สามารถชนะได้เพราะจิตใจนั้นเต็มไปด้วยอคติเต็มไปด้วยความยึดติด ไม่เรียนรู้ติดไเรีเยนรู้จากการปล่อยการสละการวางหรือการเรียนรู้จากความไม่สมหวังความผิดหวังอะไรที่ว่ามองในแง่ของธรรมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าการที่มดเนี่ยเขาทำงานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักที่เห็นเป็นลูกธรรมที่เป็นชัยชนะอย่างที่คนเขามองกันแต่ทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยมันได้สุดให้เขาเ ย, ยอมรับ ว่าชีวิตนั้นให้เป็นไปด้ใจหวังยอมรับว่าการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตและเพล่น้อยเพล่น้อยเขาเริ่ ม, มเขาสามารถที่จ ะ, ะเผชิญรับความตายได้และเขาจากไปอย่ไงมผมตรงนี้เนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าเราจะสามารถ ทำได้อย่างเขาไหมไม่ใช่เพียงแค่ว่าสามารถที่จะทํางานเพื่อสังคมได้อย่างต่อเ น, นื่องแต่ที่นี่ที่สุดแล้วเมื่อความตายเพื่อผาก็สามารถอยอมรับได้ซึ่งที่ประรานชื่อวมลได้ทําใจมากคือการพร้อมที่จะเรียนรู้อที่ปล่อยวางและก็จะค่วงและก็จะไม่ถึงประชาชนและเจ้าอยู่ทีสิ่งที่ยากลำบาก แต่เขาก็รู้ดีว่าเมื่อถึงวัาสุดท้ายเขาต้องพร้อมที่จะไปก็พร้อมที่จะปล่อยวางไม่เอาสิ่งใดต่งางๆนภาระก็ค่อยต้องเดินทางไกลครไม่ดีใครนักเดินทางไกลคนไหนที่จะต้องแบกของหนักติดตัวไปเยอะๆ เ, เป็นสัมภาระมากๆมีใครก็ค่อยปล่อยไปทีลริยางทีละอย่างเพื่อทจะไปอย่างสบาย อาดจะเหมือนจัมกมดเหมือนอาจจะเหมือนจันนกที่มีีแค่สอข้างก็สามารถที่จะิไปได้เลยไม่ว่าสิ่งนั้นไมว่า น, นจะเป็นฟารโ ล, โลหรือเป็นสัมประยากตาแต่ว่าที่่างที่คนราจะจะสามารถที่จ ะ, ะเผชิญความตายอย่างสงบนจนกรอทู่ดูเหนือความตายคืใช้เาะความตายต้องเรียนรู้ในเรฐฐื่อเรื่อิลในการที่ปล่อยวาง แต่คนเราถูกฝึกมาลอล้อมมาให้ยึดติดตลอดเวลาชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จใจ ช, ชนะแต่ถึงแล้วที่สุดเราไม่มีทางจะชนะไปได้ตลอดเราต้องพ่ายแพ้ต่อโลกภายนอกเราต้องพ่ายแพ้ต่อความแก่และเราต้องพ่ายแพ้ต่อความตายถ้าเราไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายอย่างพีคอบาเราไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายคือความพ่ายแพย้ แต่ถ้าเรารู้จักเราเท่าเทียและเราสามารถใช้ประโยชน์จากความแก่ความดุลความตายได้เราจะประสบใช้ชนะิตได้ดูเนือความแก่ควาุความตายซึ่งตรงนี้เนี่ยต่มาชื่อว่ามดเขอได้สุกเขาได้เรียนรู้และแต่มาชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเขามียาฤกษ์ใหญๆที่จะรับรู้ได้ เขาคงรู้สึกพอใจว่าเขาสามารถที่จะผ่านรอยตระเวนความตายมาได้ด้วยดีและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากชีวิตที่หล่อหลอมผ่านการทํางานผ่านการฝึกฝนจิตใจ ผ, ผ่านการผ่านการลดละตาตรวจนและเรียนรู้จากกรเรีมิตรในการที่ปล่อยวาง เท่าน้อยเท่าน้อยจนระทั่งไม่อ่านหลายแม่ท่านที่ตัวอาจะมาเชื่อตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้หมดได้ มดกจากไปแต่กายนะแต่ว่าสาระข่าวลืออย่างแท้ของความเป็นมดเนี่ยมันยังอยู่และสิ่งที่เราควรจะน้อมและสิ่งที่สิ่งที่และสถานที่ที่เหมาะสําหรับสาระข่าวคือคุณงานความดีของมดสึ่งนนคือใจของเราเราควรทำใจเราเให้เป็นที่ฉินสกิดของความดีงาม ซึ่งเป็นแก่นแท้ลิสรักษ า, าของมดไม่ใช่ร่างกาและตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเรียนน้อมนําเอาคุณลักษณะสามป ร, ร, ารการที่เทศธรรมได้พูดไว้เป็นเบ้องต้นว่าความเสีระาิสูจนรวงาการไม่พูดถุงประโยชน์ของตัวและการไม่วหวั่นไหวต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวไม่วหวั่นไหวต่อชื่อเสียงเปียดเทียดหรือความสูญเสียที่เสียงเปรียดเทีย ด, ย ด, ด, ยดและทํามตระหนิเพียนอย่างที่ได้พูดมา รวม ง, งการสามารถที่จะเรียนรู้นะเขียอยู่เก่งขั้นคนเจ้าคนจนอาจจะมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ความเป็นมดเนี่ยยังสามารถที่จะคงอยู่สืบไปเดียวเพบการทำงานสืบทอเจตนารวมของมดซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าที่เป็นเรื่องัแต่พราะขนาดเนี่ยก็เรียนรู้ในการที่จะ ใช้การทํางานนั้นมาเป็นเครื่องสุดในการลดละตัวตนให้เบาบางซึ่งลมพัดโทรศัพท์โมฮานี้เป็นสําคัญมากและขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้จากมดด้วยว่าในที่สุดแล้วคนเราก็ต้องก็มีชีิตอยู่ในโลกนี้อย่างจกัดในเี่สุดเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเรามางานศพก็ควรที่จะเรียนรู้ได้ ว, ว่าความพลัดพาก เป็นของเป็นธรรมดางชีวิตและถ้าเราเรียนรู้ที่จะนำเอาความาพัดผ่านนั้นเนี่ยมามาเป็นเพื่อนสอนทำเพื่อนสอนใจใเราอามาชื่อว่าชีวิตของชีวิตลการทา ง, งานของมนุษย์จบจนวินาทีสุดท้ายบนโลกนี้จะไม่สูญเปล่าและสิ่งนี้เนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์ ทั้งกับพวกเราซึ่งเป็นเกษตรขุ ม, มมดก็เป็นประโยชน์ต่อต่อประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่มดเขารักและและผูกพันมาตลอดที่ของเขา